มชีวิตเวลาที่ยังเหลือจะพอไหมให้ใจได้ลบล้างความผูกพันเพื่อลืมคนหนึ่งคนนาฬิกา ลงไม่ตรงไม่เท่าเวลานาลิกากับการพลัดลปรจากลามุนไปไม่กลับคืนหนึ่งนาทีอาจจะพอพอเคยคุ้นกันหนึ่งชั่วโมงทำไ้คนชอบกันและหนึ่งวันอาจูกพันจนรักกัน หมดชีวิตมันจะพอไหมที่จะใช้เพื่อลืมไม่คิดถึงคนหนึ่งคนทั้งหมดชีวิตเวลาที่ยังลือจะพอไหมให้ใจได้ลบรางความผูกพันหักนาฬิกา จะทำยังไรตอบใจตัวเองจย้อนไปวิานาทีนั้นฉันก็จะทำยังเด้ฉันจะรักเธ อ, อยางได